ว่าด้วยเกียรติและลาบสักการะ 1. ฤทธิเดชของลาบสักการะ 2. สุนัที่เรือน 3. เต่าติชนัก 4. ปลากลืนเบ็ด 5. ผู้กินคูด 6. ผู้ติดเสิงน้ำ 7. ผู้ถูกแลวอาบยาพิษ 8. จักรระแห่งอสนีบาท 9. ลมเวรำพา1ิบ ลูกสุนักดุถูกขยี้ด้วยดีสัตว์11ความฉิบหายของผู้หลงสักการะ12การออกผลเพื่อฆ่าตนเองคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์หมวดที่สาม ว่าด้วยเกียรติและลาบสการะฤทธิเดชของลาบสการะภิกษุทั้งหลายลาบสการะและเสียงยืนยอ่อเป็นอันตรายที่ทารุณแสเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายสมณะพราหม์พวกใดไม่รู้จักความยืนใจไม่รู้จักโทษอันต่ำสามไม่รู้จักอุบายเป็นทางพน้น ในกรณีอันเกี่ยวกับลาบสการะและเสียงเยือนยอตรงตามที่เป็นจริงสมณพราหมูพวกนั้นจะกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วเข้าถึงความสงบอยู่หาได้ไม่ภิกษุทั้งหลายสมณพราหม์พวกใดไม่รู้จักมูลฐานเป็นที่ตั้งขึ้นไม่รู้จักความดับสนิทไม่รู้จักความโยนใจไม่รู้จักโทษอันตำแซมไม่รู้จักอุบายเป็นทางพ้น ในกรณีอันเกี่ยวกับลาบสการะและเสียงยืนยอตรงตามที่เป็นจริงสมณพราหมณ์พวกนั้นจะกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วเข้าถึงความสงบอยู่หาได้ไม่ภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกใดไม่รู้จักลาบสการะและเสียงยืนยอไม่รู้จักมูลฐานเป็นที่ตั้งแห่งลาบสการะและเสียงยืนยอไม่รู้จักความดับสนิทแห่งลาบสการะและเสียงยืนยอ ไม่รู้จักขนทางให้ถึงความดับสนิทแห่งลาบสักการะและเสียงยืนยอสมณพราหมณ์พวกนั้นจะกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วเข้าถึงความสงบอยู่หาได้ไม่ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ล่ำสันนำเอาเชือกมีคมอันหยาบมาพันรอบรอบแข้งแล้วสีไปสีมาเชือกนั้นย่อมบาดผิวหนังครันบาดผิวหนังแล้วย่อมบาดหนังครันบาดหนังแล้วย่อมบาดเนื้อ ครั้นบาดเนื้อแล้วย่อมบาดเอ็นครั้นบาดเอ็นแล้วย่อมบาดกระดูกครั้นบาดกระดูกแล้วย่อมเข้าจดอยู่ที่เยื่อกระดูกข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายลาบสักระและเสียงยืนยอนี้ก็ฉันนั้นมันย่อมจะบาดผิวหนังครั้นบาดผิวหนังแล้วย่อมจะบาดหนังครั้นบาดหนังแล้วย่อมจะบาดเนื้อครั้นบาดเนื้อแล้วย่อมจะบาดเอ็นครั้นบาดเอ็นแล้วย่อมจะบาดกระดูก ครั้นบาดกระดูกแล้วย่อมจะเข้าจดอยู่ที่เยื่อกระดูกภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยืนยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ดังนี้ว่าเราทั้งหลายจกไม่เยื่อใยในลาบสักการะและเสียงเยืนยอที่เกิดขึ้น อันหนึ่งราบสักการะและเสียงเย็ยนยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แลสุนัขขี่เรือน ภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยืนยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมเอื่ญยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นสุนักจิ้งจอกตัวที่อาศัยอยู่เมื่อตอนย่ำรุ่งแห่งราตรีนี้ไหมเห็นพระเจ้าข่าภิกษุทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นเป็นโรคหูฉันโรคเรื้อนสุนัข วิ่งไปบนแผ่นดินก็ไม่สบายไปอยู่ที่โคนไม้ก็ไม่สบายไปอยู่กลางแจ้งก็ไม่สบายมันไปอยู่ในที่ใดมันยืนอยู่ในที่ใดมันนั่งในที่ใดมันนอนในที่ใดล้วนแต่ได้รับทุกทรมานในที่นั้นๆภิกษุทั้งหลายภิกษุนบางรูปในศาสนานี้ก็เหมือนกันครั้นถูกลาบสักการะและเสียงเยืนย่อครอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆ ไปอยู่ศูนยยาคารก็ไม่สบายไปอยู่โคนไม้ก็ไม่สบายไปอยู่กลางแจ้งก็ไม่สบายเธอไปในที่ใดเธอยือนในที่ใดเธอนั่งในที่ใดเธอนอนในที่ใดล้วนแต่ได้รับทุกทรมานในที่นั้นๆภิกษุทั้งหลายลาบสักระและเสียงยืนยอเป็นอันตรายที่ทารุนแสเพชรอยากคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า ด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ดังนี้ว่าเราทั้งหลายจะไม่เยื่อใยในลาบสักการะและเสียงเงยืนยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาบสักการะและเสียงเงยืนยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แหล ติชนักภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยืนยอ่อเป็นอันตรายที่ทารุนแสเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วแต่ผนหลังมีเต่าพันเดียวกันจํานวนมากฝูงหนึ่งอาศัยอยู่นมนาในห่วงน้ําเลือกแห่งหนึ่งครั้งนั้นเต่าตัวหนึ่งได้เข้าไปหาเต่าอีกตัวหนึ่งถึงที่อยู่แล้วพูดว่า พ่อเต่าเอ๋ยเจ้าอย่าได้ไปเที่ยวหากินทางถิ่นโน้นเลยภิกษุทั้งหลายเต่าตัวที่สองก็ยังเผนไปทางถิ่นนั้นชาวประมงได้แทงเต่าตัวนั้นด้วยชนักการต่อมาเต่าตัวที่สองได้เข้าไปหาเต่าตัวที่หนึ่งถึงที่อยู่เต่าตัวที่หนึ่งได้เห็นเต่าตัวที่สองมาแต่ไกลคลั้นเห็นจึงกล่าวทักว่าพ่อเต่าเจ้าไม่ได้ไปเที่ยวหากินทางถิ่นโน้นไม่ใช่หรือพ่อเต่า เราได้ไปมาเสียแล้วอย่างไรพ่อเต่าก็เจ้าถูกแทงถูกตีมาบ้างไหมพ่อเต่าเอ๋ยเราถูกแทงถูกตีเสียแล้วนี่เชือกสายชนัะยังมีติดหลังเรามาด้วยพ่อเต่าเอ๋ยสมน้ำหน้าแล้วที่ถูกแทงสมน้ำหน้าแล้วที่ถูกตีพ่อเต่าเอ๋ยพ่อของเจ้าปู่ของเจ้าได้รับทุก์ถึงความพินาศ ด, ด้วยเชือกเส้นนี้เหมือนกันเจ้าจงไปเสียเดี๋ยวนี้เถิด บัดนี้เจ้าไม่ใช่พวกของเราแล้วพิกษุทั้งหลายคาว่าชาวประมงเป็นคำชื่อแทนคำว่ามารผู้มีบาปคำว่าชนกเป็นคำชื่อแทนคำว่าลาบสการะและเสียงยืนยอ่อคำว่าเชือกได้เป็นคำชื่อแทนคำว่านันทิราคะความกำนัดยินดีเพราะเพลินพิกษุทั้งหลายก็พิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ยังรู้สึกอร่อยติดใจในลาบสักการะและเสียงเยืนยอที่เกิดขึ้นหรือดิ้นรนใคร่จะได้อยู่ภิกษุนี้เราเรียกว่าภิกษุผู้ได้รับทุกข์ถึงความพินาศ ด, ด้วยชนะแล้วแต่มารผู้มีบาปใคร่จะทำประการใดภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยืนยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกมจากโยคะ ไม่มีทำเอื่อยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ดังนี้ว่าเราทั้งหลายจักไม่เยื่อใยในลาบสการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาบสการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แหล กลืนเบ็ดภิกษุทั้งหลายราบสักการะและเสียงเยือนยอ่อเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนพรานเบ็ดซัตว์เบ็ดที่มีเหยื่อลงไปในห่วงน้ําลึกปลาที่เห็นจะกินเหยื่อตัวหนึ่งได้กลืนเบ็ดนั้นเข้าไปปลาที่กลืนเบ็ดตัวนั้นย่อมได้รับทุกขถึงความพินาศแล้วแต่พรานเบ็ดผู้นั้น จะทําประการใดพิกษุทั้งหลายคําว่าพรานเบ็ดเป็นคําชื่อแทนคําว่ามารผู้มีบาปคําว่าเบ็ดเป็นคําชื่อแทนคําว่าลาบสักการะและเสียงยืนยอภิกษุทั้งหลายก็พิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังรู้สึกอร่อยยังติดใจในลาบสักการะและเสียงเยืนยอที่เกิดขึ้นหรือดิ้นรนใคร่จะได้อยู่ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้กลืนเบ็ดของมาร จะได้รับทุกถึงความพินาศแล้วแต่มารผู้มีบาปใครจะทำประการใดภิกษุทั้งหลายลาบสการะและเสียงเยืนยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมเอื่นญยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ดังนี้ว่า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 กินคูดภิกษุทั้งหลายลาบสักระและเสียงเย็นยอ่อเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาพายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนตัวกลางสารกะซึ่งกินคูดเป็นอาหารอิ่มแล้วด้วยคูดท้องป่องด้วยคูดอันหนึ่งกองคูดใหญ่ก็มีอยู่ตรงหน้าของมันเพราะเหตุนั้น มันจึงนึกดูหมิ่นกลางสรารกะตัวอื่นว่าเราผู้มีคู่เป็นอาหารอิ่มแล้วด้วยคูดท้องป่องด้วยคูดอันหนึ่งกองคู่ใหญ่ตรงหน้าของเราก็ยังมีกลงสรารกะตัวอื่นมีบุญน้อยมีเกียรติน้อยไม่รวยลาบด้วยคูดดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็เหมือนกันเป็นผู้ถูกลาบสักการะและเสียงยืนยอครอบงำเอาแล้ว มีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆในเวลาเช้าครองจีวอนถือบาทเข้าไปบินธบาตในหมู่บ้านหรือในเมืองเธอได้ฉันตามพอใจจนอิ่มแล้วในที่นั้นด้วยทั้งเขาคนนี้มนเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้ด้วยของบินธบาตก็เต็มบาทกลับมาด้วยภิกษุนี้ครั้งกลับมาถึงวัดแล้วก็พูดพร่ำเหมือนตัวกลางศารกะในถ้ำกลางหมู่เพื่อนภิกษุว่าเราได้ฉันตามพอใจจนอิ่มแล้ว ทั้งเขาอย่างนิมน์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้อีกของบินทบาทของเรานี้ก็เต็มบากลับมาเรารวยลาบด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีฬานปัดใจเพศาปรือขารส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้มีบุญน้อยมีอภินิหารน้อยจึงไม่รวยลาบด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีฬานปัจัยเพศาบรืขารดังนี้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นถูกลาบสักระและเสียงยืนยอ่อครอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆย่อมนึกดูหมิ่นภิกษุเหล่าอื่นผู้มีศีลเป็นที่รักภิกษุทั้งหลายการได้ลาบของโมฆะบรุษชนิดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อทุกขไร้ประโยชน์เพื่อคูนสิ้นกาลนานภิกษุทั้งหลายลาบสักระและเสียงยืนยอ่อเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพาน อันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ดังนี้ว่าเราทั้งหลายจะไม่เยื่อใ ย, ยในลาบสักการะและเสียงเงย็นยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาบสักการะและเสียงเงย็นยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาข่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แล ผติดเซิงหนามพิกษุทั้งหลายลาบสักระและเสียงเยิอนยอ่อเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายแกะชนิดมีขนยาวเข้าไปสู่เซิงหนามมันคล้องอยู่ในที่นั้นๆติดอยู่ในที่นั้นๆผัพวพันอยู่ในที่นั้นๆได้รับทุกข์พิหน้าอยู่ในที่นั้นๆฉันใดภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็ฉันนั้นเธอเป็นผู้ถูกลาบสักการะและเสียงเยือนยอ่อครอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆในเวลาเช้าครองจีวอนเธอบาดเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านหรือในเมืองเธอข้องอยู่ในที่นั้นๆติดอยู่ในที่นั้นๆั น, นพัวพันอยู่ในที่นั้นๆได้รับทุกพินาทอยู่ในที่นั้นๆภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยืนยอ่อ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 พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แหล่ผู้ถูกแล้วอาบยาพิษภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคาย ต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายแล้วที่อาบยาพิษจะเสียบใครค น, นะลาบสักระและเสียงเยืนยอจะติดตามภิกษุผู้ยังต้องศึกษายังไม่รู้ถึงขั้นสุดแห่งสิ่งที่ตนจํานงหวังภิกษุทั้งหลายคําว่าแล้วเป็นคําชื่อแทนคําว่าลาบสักระและเสียงยืนยอภิกษุทั้งหลาย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 ลมเวรมพาภิกษุทั้งหลายลาบสักกระและเสียงยืนยอเป็นอันตรายที่ทารุนแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายลมชื่อว่าเวรำพาพัดอยู่แต่ในอากาศเบื้องบนนกตัวใดบินเหินลมขึ้นไปถึงที่นั้นลมเวรำพาก็ซัดเอานกตัวนั้นให้ลอยปลิวไป เมื่อนกถูกลมเวรำพาซัดเอาแล้วเท้าของมันขาดไปทางหนึ่งปีของมันขาดไปทางหนึ่งศีรษะของมันขาดไปทางหนึ่งตัวของมันขาดไปทางหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็เหมือนกันเธอถูกลาบสักการะและเสียงยืนยอครอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆในเวลาเช้า ครองจีวรเถอบาทเข้าไปบินตบาทในหมู่บ้านหรือในเมืองไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตไม่กําหนดสติไม่สํารวมอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุนั้นเห็นมาตุคามในที่นั้นๆที่นุ่งชั่วห่มชั่วครั้นเห็นมาตุคามผู้นุ่งชั่วห่มชั่วแล้วความกําหนัดก็เสียบแทงจิตของเธอเธอนั้นครั้นจิตถูกความกําหนัดเสียบแทงแล้วก็บอเคืองสิกขาศึก กลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัตภิกสุพวกหนึ่งเอาจีวรของเธอไปภิกสุพวกหนึ่งเอาบาทของเธอไปภิกสุพวกหนึ่งเอาผ้านิสีธนะของเธอไปภิกสุพวกหนึ่งเอาก่องเข็มของเธอไปเช่นเดียวกับเอาอยวะของนกซึ่งถูกลมเวรัมพาสัตว์เสียก ร, กระจายแล้วฉะนั้นภิกสุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดยาภาย ต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษรรมจากโยคะไม่มีธรรมเอื่ยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนีจใจไว้ดังนี้ว่าเราทั้งหลายจะไม่เยื่อใยในลาบสักการะและเสียงเย็นยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาบสักการะและเสียงเย็นยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิต ข, ของเราภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายพึงํำเนียกใจไว้อย่างนี้แหละลูกสุนัขดุถูกขยี่ด้วยดีสัตว์ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายอย่านึกกระยิมต่อลาบสักการะและเสียงเดินยอ เที่เกิดแก่พระเทวทัตเลยตลอดเวลาที่พระเจ้าอาชาติสตรูกุมารยังไปบำรุงพระเทวทัตด้วยรถห้าร้อยคันทั้งเช้าทั้งเย็นและอาหารที่นำไปมีจำนวนถึงห้าร้อยสำรับอยู่เพียงใดตลอดเวลาเพียงนั้นพระเทวทัตหวังได้แต่ความเสื่อมในกฎุนทธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหวังความเจริญไม่ได้ภิกษุทั้งหลายใครขยี้ดีสัก์เข้าที่จมูกของลูกสุนัขตัวดุร้าย ลูกสนนักตัวนั้นจะกลับดูยิ่งกว่าเดิมด้วยการกระทำอย่างนี้ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายตลอดเวลาที่พระเจ้าอาชาติสตรูกุมารยังไปบำรุงพระเทวทัตด้วยรถห้าร้ยคันทั้งเช้าทั้งเย็นและอาหารที่นำไปมีจำนวนถึงห้าร้อยสำรับอยู่เพียงใดตลอดเวลาเพียงนั้นพระเทวทัตหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรม ท, ทั้งหลายอย่างเดียวหวังความเจริญไม่ได้ฉันนั้น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 ต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราพิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แหละความชิบหายของผู้หลงสักการะพิกษุทั้งหลาย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 รากเง่าแห่งธรรมอันเป็นกุศลของเธอจึงถึงความขาดศูนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระเทวทัตถูกลาบสักระและเสียงเยือนยอ่อครอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่อนอยู่ในสิ่งนั้นๆทำอันเป็นตัวกุศลของเธอจึงถึงความขาดศูญภิกษุทั้งหลายเมื่อพระเทวทัตถูกลาบสักระและเสียงเยือนยอ่อครอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่อนอยู่ในสิ่งนั้นๆ ทำอันขาวสะอาดของเธอจึงถึงความคาศูนย์ภิกษุทั้งหลายลาบสักระและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมเอินยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ดังนี้ว่าเราทั้งหลายจะไม่เออยื่อใยในลาบสักระและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้ว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 ภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยินยอเกิดขึ้นแล้วแก่พระเทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความฉิบหายของตนเองภิกษุทั้งหลายกลุ้ยเมื่อจะออกผลก็ออกผลเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความฉิบหายของมันเองข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยินยอเกิดขึ้นแล้วแก่พระเทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความฉิบหายของตนเองข้อนี้ก็ฉันนั้น ภิกษุทั้งหลายไผ่เมื่อจะออกผลก็ออกผลเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความชิบหายของมันเองข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายราบสักร ะ, ระและเสียงเย็นย่อเกิดขึ้นแล้วแก่พระเทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความชิบหายของตนเองข้อนี้ก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายไม้ อ, อ้อเมื่อจะออกผลก็ออกผลเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความชิบหายของมันเองข้อนี้ฉันใด ภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยินยอเกิดขึ้นแล้วแก่พระเทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความฉิบหายของตนเองข้อนี้ก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายนางม้าอัสดรย่อมตั้งคันเพื่อความตายของตนเองเพื่อความฉิบหายของตนเองข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยินยอเกิดขึ้นแล้วแก่พระเทวทัตเพื่อฆ่าตนเอง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 นหนึ่งลาบสักการะและเสียงเย็นยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มหาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสความข้อนี้แล้วพระองค์ผู้สุคสาศาสดาได้ตรัสนิคมะวจานะนี้อีกว่าสักการะย่อมฆ่าคนชั่วเหมือนผลกล้วยฆ่าต้นกล้วยผลไผ่ฆ่าต้นไผ่ ขุยอ้อข่าต้นอ้อและสาธ่เกิดในคันข่านางมาอัสดรฉะนั้นดังนี้แหละหมูที่สามจบ